แต่ว่าก็ได้แต่เวทีไปอ๋อเปาข่านใช่แต่ย่ว่าพ่งลงไปที่นั่นนะจะเส้นโกรดนะเราบจ้พราว่าถ้าอยู่สบายแล้วจะไม่เีดกันเลอ๋อที่เ็นกัดที่นั้นนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องเอ่อไวัตรอัปราสวดน้องกบเลาะ ละทีส่วนโองเคราะห์มีการเกิอะไรละอาทิตย์เจ้าละกันลส่าการลุประหัตตุสาวเกมุตยุทธโตเริต้นอย่างนี้มีตัวมีตนหรือเปล่าครับทาไมจะไม่มีตัวมีก็มันมีตัวให้สวดได้ไรล่ะยัคว่าหว่อวาตัวอะไรโลกละสิหมายถึง กงแท้คงแท้อาคุณไม่ถามตัวเท้หรอมีการถามท่านสวดแล้วมีตัวมีตนไหมแ้ยเอออแล้วก็นั่งฟาดาเรื่องเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไอู้โตเนี่ยมันมันพี่ชายภูเล็กามันเป็นโลกโลกึง ที่ทำดองพุทธศาสนาเร่อวโลกหรูปวันนั้นดรเตอร์าก็มาเขียนเอาแผนผังมาให้ดูเขาเขียนว่าตรงนี้ต้องนผูกเข้าหูโ ต, โตเอเราว่าวอ น, นีมันทับโลกหูรูปไอ้สรูมันไปไหนมันดูาานาพาแล้วก็เลยม่ไม่ได้จ่าแต่ตอ น, นั้นและไอ้กลังเรีกูโตแต่พวกเราเรียกว่าโลกหูรูปแต่นี้ไอ้เจ้าโลกนี่มันพูดไม่ได้ เป็นสดข้าวมันจะรู้เรื่องหรือเป็นโสดข้าวถ้าบาตายเลยก็มันโรคโรคบางนี่อ้าวมามระทัดพระอะไรเนีโอ้โหไอ้พรองค์นี้เดียวนะยใช่แล้วถ้าสวดตามวิธีกรรมมันจะมีผลแล้วไม่มีผลไม่เคยัน แต่ว่าอาจจะมีฝนนิดบ้างเพราะทำ ed, ให้จิตใจผู้ป็นศรัทธก็มีใจรุ่งขึ้ในมีกํลาลังใจดีขึ้นนะะแต่ว่าจเอาโลกคนรันม า, ม า, มาแล้วคไม่มาแล้วโลกนั้นไม่ไม่มีทไม่ไมีไม่ใช่โลกพระเทวดาเลยเป็นโลกคนอยู่อแต่ว่าก็ที่นี่ท่างเทวดาทัานคนเรามายอยู่แนะน่อะไงครับร้อนมาดิสบายเพราะไม่หมดเหลือแต่คนเทศธรรมะคนเดียว ค่ั้นตอนทีกาวเชิญเชิญมาก็คงไม่มีอะไรมามาอะไรมาครับอ่าคนเชิญมาก่อนแล้วก่ <c oughs> อนที่เฉคุณเชิะ้วาั่งพุกแล้วมาแล้วแล้วที่คน <c oughs> คนกลางเชิญ <c oughs> ก็มาก่อนเร <c oughs> <c oughs> าเชิญไปเชิญมาไม่เชิญจบต่างเาจะอยู่หัวเขาเอง <c oughs> เดือดร้อนไะอยู่วันี้ลงมาอีกนะนี่เลเป็นไรองด้วยเป็นไรลอยเลยเรียกแพงใช่เป็นเจนพันเนนี้รลอยคงไม่รักษาตาดจ้าหนาละองพันใช่ลาไปเลยอีกแิปเดียวคือว่ายอมุ่ใจหมอบอกว่ามาลตอยู่ทับลักสาวทับลัก จะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้แต่พนเองไม่เชื่อเชื่อให้หลักศาสนาอยากจะมาเพิ่มบารมีข้อว่าจะากแก้ไขอย่างไรไม่ต้องแก้วันพักกันอยู่แล้วไอ้ส่วนลา่าสุขโมยมันลุกไปขึ้นอย่าไปแก้นะ <c oughs> แกมันลุกขึ้นมาได้ของหายนะแก <c oughs> <c oughs> ดีอยู่แนะแกนแ ตายเลยก็ทาใจสบายที่ทั in ้งหมดนี่ผมว่าเราทําองนี่คงไเชื่อเลยใช่ท่านเองใช่ก็ไป่เคยเชื่อโอ้ยเชื่อเหมือนกันแต่ของหายแล้วจะเชื่อรักรับรักแน่นจะแกรรักสิไม่ไปทับรักเนาะเพราะว่ามอดูมันเข้าไปไปแน่นักมาคุณแน่หนอสดูดี่ยเราวต้องดูไปคนคน สังเกตดูหมอดูบางคนก็แม่นก็ตรงจริงๆบางคนก็เปลไปไปนะครับถ้าสช้เวลาที่พ <ว arel, S 1> ูดจริงๆหน่อยคนนี้ไม่จะเชื่อเมื่อก่อนที่เคยศึกษาวิชาหมอดูกอเป็นหมอไม่ใช่เป็นหรศึกษาดูอยากจะรู้ครัหมอก็เหมือนมีวิธีบอกว่าลักษณะที่คนเชื่อมีข่อยทะยู9 30อยู่จะไม่ได้แล้วนะครับค ถ้าคุณรับชีวโยวนี้ออกไปแล้วคนจเชื้อทันทีเก็มันตรงรบรัิสัยของคนทุกคนไอ้เก็บแล้วไม่รู้จะจัดอะไเนี่ยอ้อย่างนี้พห อ, อหมอทักแบบต้องทักกระหูกหมอนี่เก่จริงแต่ความจริงคนทั่วไปมันไม่อยู่คนที่จะเลว่างทีเราให้ขอไปแล้วเขาเลวมาพขาพูดดียุบเมือนไว่าอกให้ไม่ได้จากเาี่ยวเก็บแล้วไม่รู้จะจัดเป็นลักษณะการหลอกลวงคนเขาไมีอยู่ นม่พูดว่าหมอที่ไม่ดีนะถ้าหมอที่ดีจริงๆเขาก็ตุ้ยยากรอันแรกเลยคนชั้นแรกเอย่าคนจั้นแรกเลยเราเชื่อทันได้แน่นอนเต็มรอยเปอรเ็นเวลานี้ถ้าเยองหาคนชั้นแรกนก็ต้องตายซะก่อนแล้วไปหัวใอตายไปแล้วเะหัใจเป็นการเแล้วก็มีคนก็มองเพวมองเพลน่เพื่ออะไรฉัน ตายนานแล้วคือแบาคือแบบเพื่อนกันเลยใช่เคยไม่ทันแ้วใช่เคยไม่ทันก็อพ่อชื่ออะไรพ่อเป็นเพื่อนเพราะขนาดที่แกตายแล้วก็เป็นสีใช่ไหมเราก็ยังเป็นสีอยู่เป็นเพื่อนก็ได้ใช่ได้ามองเพลนี่เพรพะแกพราะจตมาจึงลองซื้อฉบับหนึ่งสมัยนั้นรอเจ็ดท่านยังเป็นผู้รบการงานเป็นใหญ่ยังเป็นพันโท ถ้าขับรถไปคนเดียวแม่มองเพยพยากนกรกองเพยเดินกุกซักกุกซักขีดไปขีดม า, าอ้ท่านนีต้ตอบไว้ได้เป็นขุนเจ้าพันบริกา ร, รที่เศษที่จะหวังไม่ได้แน่นอนคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรที่ชายก็ยังอายุน้อยทีแม่อายุไม่มากท่านเองอายุได้่งเดียกันนี่แต่าการนนะัดในการที่เป็นขเจ้าพันธินมาถึงเป็นไปนไม่ได้ แต้ว่าถ้าท่านขาเขาไม่ปฏิเสธเ่าเดินไปเดินมาเดิ น, นป่าเดินป่าในห้องแดนเลยที่ไม่ออกเท่าไรกลับล้วตอบมาไม่ทา น, นักการกุศลท่านต้องไปไน่ได้ตดีๆแต่เขาตอบเขาเขาพยายามก่อนระยะสั้นหนึ่งนะแล้วก็กำหนดวันปนปีให้เลยว่าไม่เกินเท่านี้ท่านต้องไปไมได้อยูนแด่แล้วก็จบเลยอันนี้ที่ว่าเขาเกิงมากนอะอย่างคุณหนผลเชนแมลแมคุณเชนแลมเนี่ ตอนที่จะหนีจา ก, กดเกาะสลูเตา่าก็ท่านัญาสลาดภัยท่านเป็นอายทหารเรือท่านอบอกว่าถ้าออกเวลานี้ลมจะไม่มีคนเจได้บอกเลือกเรื่องนี้จะได้ดีปลอดภัยต้องไปเวลานี้คัณะก็ได้ไปชุมกันว่าอยาเท่าไหรในที่สุดต้องเชื่ อ, อ, โ, อโหรเพรนะโหรเชื่อวิญญาณไม่กี่ในที่สุดในขณะที่ออกเยบอใบไปไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ลมหมด เวไทบอกมันจะไม่มีลมหนีเขาไม่ค้นฝนบอกปอดทัยนนี้แม่เรีนนั่งโทษพอดีหนีเขาทราบก็เลยยอนออกบุเขาไฟใช้กลาดไปต่างๆไอ้ไฟฉายก็แบบปลาดพอจะมาถึงเรือที่ลอยลาไปลมไม่มีมันเป็นฝนตัดก่อนทายมากไปทางเรือหรือเปล่นส่วนสกู๊ตเยก็มีเลยมันไม่ไม่ไม่ไม่มีลมก็ไม่มีสุนัขโล่แ้ก็รบ แล้วก็เมื่อสมัยเล่ยสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆมีนักวิทยากรลงมาซื้อพิมพ์ว่าอันตรายยิ่เกิดขึ้นว่านั่นมาดีเมื่อเม่อเมื่อว่าเลือยไปเพราะที่สุดรอกก้าเนี่ยอาจจะต้องตายในช่วรชงระยะสั้ออนนะๆเพราะเราอาจจะหายยี่ความเห็นกันนะต่อมาผลยะแลมัํลคาบแต่เขียนส่งเาซื้อพิมพ์ ตอรอเก้าในจะสวรรคตก่อายุสี่สิบไม่ได้สมรรค์ต้องมีพระโสดานไม่น้อยกว่าสี่รองหลังจากนั้นวิญญาณสวรรค์ไไปไปมาจิงท่านเจ๊บ้าคนได้ต้องดูดีผลเรื่อห้อยเรื่อแขงเ้ยเนกันน่เหมือกันทไมเจอแบบแฝงต่ำต่งเลแฝก็ห้อยดยยด ที่หน้าเราตอนที่อยู่เมือโพทองในวันอัางทองส่กัสจุกุณาจารย์ทีโห่นหนึ่งเขาไปสมัคร็นรุติการแต่เขาบอกเาแน่เลเกินก็เดินทางจากโพทองมาอ่างทองรดค่ามแต่รู้ตายจมดิ่นเลยนั่นแหละเขาดูไม่เขารู้รถจะเั้ากันถึงมาโอ้โหต้องแต่งหน้าแต่ก็เพราะว่าที่นั่นต็มีที่ในนั้นใช่ใช่ใ่ แล้วเขาบอกว่าเอาเงินจากการดูหมอดูมาทําบุญนี่จะเรีก็เป็นเงินบริสุทธิ์หรือเล่าก็ต้องบริสุทธิ์เป็นการตรงลงกันนี่ระหว่างผู้จ้างของผู้ครับเขาไม่โกงใช่ไหมถ้าโกงก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าไม่โกงถือว่าเป็นเงินบริสุทธิ์ใช่ได้ต่อไปก็ ได้ยินเขาบอกจนว่าศพของรมมหากัดต่อปากยังอยู่ที่ทำอะไรมือไห่เยอะแล้วจะเผาได้ต่อเมื่อพระศรีอานมาตัดทะลุและจะไปเผาบนมืออันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรประวัติเป็นเท่าไหร่รอเขาลุงไหนว่าเาเาหจอันนี้ได้ยินมาหลายหลายอาการ ไอ้เมืองอะไ้นนี่มันอยู่ตรงไหนนะตอนที่มึง้าไปก็หลว่อเจ้าพิสัยท่านก็เนี่ยไอ้หมอมาเมืองอะไจะศพเ่หานะมันจะอยู่เมืองอะจขึ้นนี่ดาวกระสุงอันข้างเขาอะไรมันจะมีนี่อยู่ชิงตรงนี่ดาวกระสุงมึงใช้เองเร เจียงตงไม่ใช่คารทไทยคนไทยใหญ่ไม่ใช่อูเดียัพ่อโ อ, โอ้โหางอินเดียจะพูถนะ <c oughs> ยกย่อยแข็ีสบันหน่นอยใช่ไตรงนี้ทหารราศดรจะมีงานอยู่แถวนี้ในระหวางเจียง ร, รายเจียงตุงแะประเทศจีนที่พระเจ้าทรงให้มารวมจารวสัาเนี่ย ทีช่ไถ้าต่ำลงมาอีกว่านั้นก็ไปเขตของพระมหาเจริญนะแล้วจากลงปูลงมาก็ไปเกตียดก็พ ร, ระามาอุกุาทว่าก็ดำเกลียดท่านก็ไม่ผานแถวนี้ที่ว่าหรว่าศพมีจริงไหมนะตอยืนยันว่าศพมีจริงยั ง, ง, อ, ยงอยู่ดอกไม้ที่เคารพบูชาก็ยังอยู่โค ก, กับเทียนที่เคารพบูชาก็ยัง แตว่ายาวเวลาปกติเนี้เราเข้าไม่ได้ไอ้เขาลูกเล็กๆสองลูกเขาน้าทํามันเคลื่อนตัวไปติดกันเมื่อปีถึงพิกฤการเนี่ยเข้าได้ไอ้เขาลูกเล็กๆมันขยายตัวออกห่างออกไปในเรื่องอสุจิจันะในใจนี่แหลคือว่าท่าพระรัมเข้าไปถ่ายภาพฉ <c oughs> ันได้ภาพคือพระรัมถ่ายประมาณสิบภาพที่นั่นน่ะนะถ้าพิมพถ้ามี์ขายเนะี่ยจะไม่ได้ได ไอ้ฉนก็่ได้ซ้อเพว่าให้แล้วก็เอาภาพนั้นไปให้หลวงพ่อเล็กดูถามว่าสําหรับการนั่งอยู่เข้าสมาธิสิ่งของแม่แปลกใช่ไหมครับถามว่าทูบ ก, กับเทียนที่เขาบูชาได้ดอกไม้เนี่ย ท, ทําไมจึงไม่สศามองหม้ว่าดอกไม้ที่ไม่สศามองนะยังสดอยู่ทูบ ก, กับเทียนก็ยังติดอยู่หลวพ่อเล็กส่งเลยบอกว่าธรรมะทิ่ถายอาทอดเราหันใช้เป็นยังไงบ้าง ให้ไม่เชื่อท้าไปดูคนได้ไปดูยี่รี่ไปดูก็ได้เลยไม่ต้ อ, องรอเขาเปิดเข้าได้แล้วที่ว่าเวลาจาเขาต้องเขาเ่าบนมือต้องทีท่อา่านก็จะตารขึ้นว่ามาถ้าเรายังไม่เชื่อเราก็จะงต้องตายรอดูอก่อนึกความเชื่อจริยการ ถ้าพูดกับเวลานี่มันก็เถียงออกันไปจบ <S <S บางคนท่านไม่เชื่อเราท่านเมืม่สอสั่นเป็นเจ้าแล้วคนก็ไมยอมสิ้นไปอันนี้มันจริงอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงเพราะตามข่าวตามเรื่องนี้ว่าสมัยก่อนโน้นถ้าสมารรถศกัทธเป็นช้างลูกเราทำให้โตกลายช้างแล้วก็พระสิยานเป็นเป็นเจ้าของมีการพนันกันว่าช้างตัวนี้สามารถจะให้หยิบอะไรก็ได้ ก็ว่เออไปไอคนมัรนันมันเป็นเเรมาเลาายย็กเผาเรื่อยโชนะ่งหยุดอ่าที่แรกเจ้าของก็บกยอมท่ายอมนะลุปากปีกปากไม่ท่ายึดแต่ชาตก็รักษาเสาศีรักษายรักเจ้าของก็เอางงหยุดหยุดได้ไปนั้นแพ้แต่ชาตาก็ต้องตา ย, แ ต, าตตายแต่พระศีอ า, าราสายกรรมนี้หน่อยเดียวเวลาที่จะริพายก็ต้องอาศัยเอาเอา อขาเขาเขสบใส่ก so ็หักอันอธิษฐานเตะโยธาธาบเผาก็เผาแล้วใส่เหี้ยี้เป็นปัใจขก็ยิ้มาปไม่ลืมนะ่ไฟที่ใช้กําลังใจให้เกิดขึ้นไม่ร้อนหรอกท่านจะร้อนก็ได้ท่านไม่ร้อนก็ได้ที่จะมาเป็นกระดูกพ่อไฟร้อนนะไฟเราไฟเราสร้างเองนี่ไม่กล้ไม่ขี้กล้าง มาจกเตโชกสิงจะให้รอดหรือไม่รอดก็ได้แต่ว่าถ้ามีอะไรกว่าไปที่พอว่าผู้ใดปฏิบัติถึงใข้ก็เหมือนกับปฏิบัติลาวสถานพ้นแล้วอันสองที่จําเหมือนกัก็เหมือนกันปฏิบัติต้องได้เจ้กอนอน ปาที่บ้านตายกอดนอนพอป่วยนะพป่วยียนี้ไม่ดีเพาขี้แตกกันแล้วแล้วก็สองลุกใช่ไหมเดีวนีปวดอ่นันนี้ก็ต้องไปช่วยอันนี้สงก็เหมือนกันลคือก็อดนอนอนกัน ไอ้สงคนไม่เท่ากันหรอกคุว่าอันนี้สงพระพุทธเจ้าทำบันดาลค่าทำน้หลายที่มันไม่เท่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ท่านบอกใครพลาดรือเหมือนปฏิบัติเราก็หมายความว่าศาสนาจะสรงได้เพราอาศัยพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ไม่ส่งตัวอยู่พระพุทธศาสนาทรงตัวอยู่ไม่ได้ถ้าพักว่าทําให้พระสงฆ์อยู่ได้เหมือนว่าพระองค์พระรยาอยู่ได้ถ้าเสื่อมที่เสื่อม แล้วก็ญาโยมีโอกาสไปปฏิบัติวัดถากด้วยตามโรงพยาบาลผ้ก็อยู่ในอันดอบนึ่งเลยคถ้าปฏิบัติเนี่ยโดย่วัดถากเพิ่งีอันดับหนึ่งโอ้วัถาาปฏิบัติวัดไหนมาปฏิบัติเขาไปผานวัดกันว่าไปเอ๊ยอย่างพราที่ที่บอกว่าพระอาคาดหรือพระป่วยฉันเข้าเย็นได้ป่วยขนาดไหน ความจริงป่วยธรรมดาธรรมดาคือชีคัดขาปรมารงคาความหิวก็โลกอย่างนี้หิวอะไรกินวานนั้นไม่ได้เขาร้อนก็ได้คุณถามเก้าเย็นนะคุณไม่ถามเวลานา <l> ะ <acht> <l acht> <l acht> เวาที ah ่เราฝันส่ยตอนเย็นๆท่านก็เอาเกไปเ้ามาตเกียวหนียวท่าลาวอ่ะต้มเกียวแล้วก็หลุดป็นานจริงตอนนี้ตอนจริงถ้าระ้โอนไหนป่วยใจฉันก็ไปเยียบาลโอนนา่นใช่ไหมราบถ้าอาหารที่จะพึงแขนคาดป่วยแขนงเราก็ใช้กับผูพป่วยได้ทั้าอนเดียวกันน่าจะไปปฏิบัติบ่อยๆนะมั่งด้วยกันเราจะก็ออกค้าแรงไว้ เออดูว่าจะไปพบตังสือที่ไหนนะท่าออนุ ญ, ญ, ญาตจะพเข้าน้เข้าต้มกับน้าแกงนะานพกทิไหศาสตร์ยนกันได้ไม่เช่นไอนะเอาข้าข้าก็ต้อใไปเละใส่ผ้าสคั้นมาจะมีเนื้อติดไปบ้างเหยไหม<า> <c oughs> แต่ว่าเนื้อมันไม่ติก้อนแล้วแล้วก็กัดก็คื้อน้าแกงไปสวดด้ยวยดีนะพอ เคยไปเจท่านพออ่านหนังสือจิตบาทนั้นกันแล้วมีความรู้สึกเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงล่อข้อจริงๆถ้าปล่อยให้แข็งข้าวเม็ดเนี่ยไม่เรอบข้อบหรอกครับอย่างทันเนี่ยอย่างลงน้าเนี่ยมันรียนมั่งเขาเย็นมาหลายสิบปีแล้วไม่มาข้าวเม็ดอ่ะร่อเข้าไปเพิ่มโทษอีกโทษข้าอื่นอ๋อ่่านนสือจิบทนั้นก็บอกแคเพราะน้เข้าต้กับน้ำ นั่งไข้ส่วนรู้ว้อะไรยังถูกลองคิดว่าอันเนี้ร่างกาที่ไม่พบกับอาหารตอเย็นมานานใช่ไหมครับโทการย่อยไม่ดีถ้าเป็นน้ำนี่มันไม่มีโทษแต่ก็ไปรอย่อยถ้าเป็นเนื้อนี่เอ้ยถ้าเป็นเนื้อนี่เช็คไปโดนนัทีให้ปวดโดนยับไปไอเจ็บระทั้นข้าห้องนั่งเข้าสมาธิอยู่ข้างสง่มน้ำนอนอ๋ออาบน้ำเข้าสมาธิเลยลาครับ ทําำไมล่ะหมอเกินข้าวตอนเย็นล่อไปพุงชื่ออื่นก็นั่งนอไม่หลงยหมอจะนอหมอนั่งข้าสมาธิพุ่มเงที่เราเรื่องเข้าถามจะได้าเยอะสุดไม่อะเรียกาข้าถามชามไปเลย กอไม่รูกครั้งหนึ่งผมกขธรรมดานี่ชอบมาสวายกยก่เสมอตโดนหลงอ่ะบางทีก็เขาเาะฟ้ามั้งสูกี้ยากี่ตอนเย็นก็มาโดนวันจันอรแต่วันนั้นก็พูดลาดไปลรกไไงก็ไม่ทราบเขามาเวลาจะไปถึงตึกเนี่ยผมมักจะปรการพวพ่อพระคุณเจ้าที่เขารล นมนเตรียมถ้วยเตรียม้าเช่าคาละอ่าโจมัาก็เพราะละมันถวายเกลียวข้อข้อช่วยโจมยีห์เอ็มหมดแล้วเหรอเน่ดูได้จนนเอ่พอพระอะไรไม่พระเจ้าเลยพ่อพระเร รักยังไงลันจารมีผลวกลัวให้คนอีอแตกวันหนึ่งกูคงนอนไมเป็นกรรมฐานไปเลยนะ่ใช่ๆถ้ามีอะไรจะว่าไปดีใช่ใชทีนี้ก็าเลิกการผ่าวายผวายข่า พุทธเ้าพระธรรมารรส์ต้อคือีคนึ่งาบอกไปอย่างนี้จะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงหรือตอนเย็นก็ตามกอจะกินข้าวก็เขยกมือบอกว่าเจอขออวายแต่พระพุทธเจ้าพระองค์พระตระพทธเาองะธรรสหลายอย่างนี้เป็นประการเช้าไปเย็นขําก็มีการเคารพอยู่ก็มารู้สึกว่ามันจมันจะเลยแทีงเลยเที่ยงมันจะายหรล ทำแบบนั้นเป็นปกติแค่นั้นใช่ไหมได้บนนั้นน่าตกมาลบตกข้าวถวายพระแล้วมัแยกพระกินต้องบอกต้องข อ, อก่อนได้แต่การกินไม่แปลกก่อนจะกินนึกถึงพระก่อนจะนอนนึกถึงพระตื่นมาใหม่ๆนึกถึงพระยามว่าจะรู้อื่นนึกถึงพระจัดเป็นรนูปสติแลย นึกถึงระบรมเจ้าเป็นพุทธานุสติถึงพระธรมเป็นธรรมานุสตินึถึงก็สงฆ์เสังฆานุสติแห่ว่าน่เขาบูชาเนี่ยเขาไ็ได้หตจริงมันเป็นรายบิดาเ ป, เ, ป เ, ปเป็นชาอะเป็นชาเป่บูช า, ชาจะเรียกว่าทานไม่ได้บูช า, าพระพุทธารีมาเห็นหล้วถึงท่านจกแปลนุสติ้ารนึกถนงนุสติประเภทนี้ทรงตัวอยู่ ตายก็ต ก, ตร ก, ก<อ>นรกไม่เป็นลืมตกตรกแบบนี้เหรอครใช่ได้ยังเดียวสวรรค์นึกฟุ้องอนึกผ่านใชแล้วก็ตอนกลาคืนเราจะกินกาแฟบาง ค, คนนึกถึงด้วยเครื่องดื่มตอนคืนเนี่ยมัึก้งทั้นด้วยกระจายดีไปทั่วไปเลย ใช่ถ้าได้ดีนะสบายพักที่พูดได้ไม่แกไเลยมผู้พูดถึงเรื่องเ่อดิมนี่ไอเรืนมนำนี่ฉันได้หรือเปล่านมฉันได้นมฉันไม่ได้ลองวัดบอกว่อิ่ไม่ได้ดิโอ้ถ้านมเสีย นมเน่าเลพี่เลาลายลนมสดนมส้มจำไม่ดีแต่อย่างนี้ก็นะไรนี่ก็มาพ่อเรละวัวเข็มรชละวัเข็มนี่ทำไมรูปร่าเป็นขม่าไปหมดก็เขาแกไปจากขมา ลววถ้าไทยแกรู้เรื่องเหมือนไทยโบเท ม, ไ, มไทยนั่<บ> <c oughs> นโบเทมทวท่มมามาเวลวาเองจะบูชามันจะต้องมาใส่ในื้านอะไรหล่อน้ำมีรอยดอกไม้อะไรอะไรอั่นเขนหลอกตัวเอ ง, เองถือ ว, ว่าวคคุตกรรมสายภาษาใานทะเลใช่ไหม แต่ว่าผ้าทันตาไปบัวปิดหัวท่านนิรุตเรือนเกลื่อนแก้วอยู่กางทะเลท่านนั่งท่านก็อยู่ในน้ำใช่ไหมตามล้อมรอบแต่โครการทำแบบนั้นต้องไปทำในสัญักษณ์ข้าวถิ่นนตัวเองมันทำอะไรอย่างไรเพไม่จำเป็นแล้วตอนที่อยู่ทะเลนั้นอยู่ในน้ํเลยนะครับท่านนิรุเรือนแก้วท่านนั่งเรือนแก้ว อ่านี่เราท่าสมาบัติยินดีบัติที่ไหนอ่ะทใช่ใท่านอยู่ในนี่ราท่าสมาบัติตั้งแต่เมอหร่คออกไปเป็นบ่ายก็น้ำเข้าเลยแก้วเยอะนะแล้วที่ที่เป็นรูปกลับกลับอะไรปิยมาลาศิาปิยมาลาศิลาไหนว่าเป็นเรว่อารลกระเสริฐดีแล้วอะไรแบ้ม้ องนั oh, okay, oh, ่นแะเราสืบนะองไหนองพระยาบาลราชรัชกาลนี่มัาแกล้งทสังใีตพระนารายณ์เขาไม่ช่วอ่าไม่เกี่ยวพระนารายณ์นะพระเจ้าทรงจะทะเลาะพระนครจะจะเลาะกับนาสนาเราคือว่าพระยาบาราชรัชกาลีท่านมีความฉลาดมากเพราะท่านปราถนาพระตะกูเมือกัน ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าจะบรรลุอภิเศษสัมมาสัพพธิญาณแล้วเปลงว่าจะสอนคนปริพันธ์หมดเวลาเห็นเป็นรถเจ้าไม่ไม่รู้จะสอนใครเลอต้องบางหน้าแกล้งเัามั่งในคนธรรมดาแต่น ah ี้สำหรับทิ่อามาราทีราในสมมยพิเจ้าไม่มีใรพระความจริงก็อุค์โคตร่ไม่เคมีทิเกินกว่าพระอื่นเลยใช่ แต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะปรับก็ไม่เรื่องนิดเดียวทำได้แต่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าองัดว่าเราไม่ใช่ผู้ปรับกับพย า, ยา ม, มาราศิลาต้องรอผู้พุกเข้ามาเขาเป็นผู้เขาผู้ปรับกั น, นใช่ไหอยมาถึงสองร้อยปีเศษใช่ไหเพราะนัะ้นในฐานะที่ผู้ปรับกันนี่ว่าถ้าเหมอนแคล้วผู้ผู้แก้ไขได้แล้วในที่สุดพระมารดายา ม, มาลาศิลาคนหมดประยศน์ เวลานี้จะไปโทษเห็นแล้วว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นวิพญามาลาธิราชม า, า, าแคล้งมันไม่ใช่นะตั้งแต่เวลานั้นเป็นมาถึงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติปฏิบัตชอบเพราทมัไม่ได้แจ้งคนอย่างเราต้งใจ้งเฉพาะพระเจ้าองค์เดียวโดยจะต้อนคนปฏิบัติหมดแล้วทาไปทามาเวลานี้ก็ลาพุทธภูมิตรงนั้นหละวิญญามาลาธิราชเห็นไหมไม่ ขี้เกียจฮ่าตีตัวไปเลยคนที่ทาราแล้วเขาเาก็ไปลงแล้วเขากำลังสูงมากไม่ไม่ต้องเกิดเป็นรูปแดงไม่ไม่มาแล้วเพราะว่าพระพุทธภูมิถ้าใกล้ใกล้เขามีกํกำลังเกินกว่าสาวกพระภมมากเห็นไหมสามลางถ้าสมมติว่าคนที่จบริญญาอาจจะทําำงานเรินสูงนะ ถ้ามาสมัครพันโรงนี่เคารพเลยน่เดืดเทียวกันนะเราะพวกปัตนากุตภูมินี่ต้องบาเป็นบารมีสูงกว่าภาษากุตภูมิมากแต่ว่ากุตภูมินี่เป็นปกติเราสอนเขาว่าบำเป็นบารมี่ในสงงข่ายเราใถ้าพระพุทธภูมิถ้าเป็นวิญญาณิสัจก็ต้องใช้บารมีสีสงข่ยก็ใส่ จะเป็นสถานิกาก็แปดประสงไทยก็ใช้กับอาจเป็นวิยานิกก็สิบประสไค์ไก็ใช้กับกลังต่างกันมากฉะนั้นถ้าว่าโวจการมาก็เป็นชาวกก็ไม่ีวันไมอะไร หลายอย่างที่เรยไม่ได้เพอยากเรียนติดตัวมาหลายคนคิดว่าจะไม่ปลอดรัยแต่เว่าใช้ศาสตร์ที่มนีอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่กลัวนิแล้วมันจะไม่กลัวเขาจะมีนะถ้าเราไม่กลัวแล้วอยากเรียนยา มีอะไรอป๊ะเตะกำบังนั่งๆมีอะไรีเที่ยงต่าตัวนี่เฉใช่มีรือเปล่านี่ี้ติดจก็เดว่หมี่ใช่จเราไม่เชี่ยววันไหนทันฉันได้ฉันตัวนี้คร เรื่องวาบานีที่จะทำอะไรได้น่าจะเป็นผู้ทีมีความแม่ตจเดี๋ยก่อนคณสมาธิมีสองอยา่างส ม, าสม า, กกมาสมาธิกับมิถาสมาธิในตัวมิถาสมาธิที่ทำเขาทำลายเขาได้มากเลยอย่างดีม่ไหเรือว่าก่อนหนยาสมาธุดงไปก็มีจุดที่เราต้องครัวหนักกับสจุดระลอเามาก คือทำลายทีละส้บว่าจับือเขาจุดที่ยอว่าความรู้ของเขาถ้าสามารถฆ่าพระพุธองค์ายได้เขาจะจะเป็นเป่าขึ้นเหล่าเป็นอะไุดที่สุดในสุดที่กับตาทีี